ตั้งประเด็นสนทนากันเรื่องอภิสัญญานิโรธว่าท่านทั้งหลายอภิสัญญานิโรธคืออะไรในบนรรดาสมณพราหมณ์เหล่านั้นบางพวกเสนอว่าสัญญาของคนไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยเกิดดับไปเองเวลาที่เกิดสัญญาคนก็มีความจําเมื่อสัญญาดับคนก็จําอะไรไม่ได้พวกหนึ่งเสนอประเด็นเรื่องอภิสัญญานิโรธไว้อย่างนี้ สมณพราหมีกคนหนึ่งเสนอว่าท่านทั้งหลายเรื่องนั้นไม่ถูกเพราะสัญญาเป็นอัตตาตัวตนของคนที่เวียนเข้าเวียนออกเวลาที่สัญญาเป็นอัตตาเวียนเข้าคนก็มีความจำเมื่อสัญญาเป็นอัตตาเวียนออกคนก็จำอะไรไม่ได้พวกหนึ่งเสนอประเด็นเรื่องอภิสัญญานิโรธไว้อย่างนี้สมณพราหม์อีกคนหนึ่งเสนอว่าท่านทั้งหลายเรื่องนั้นก็ไม่ถูก เพมีสมณพราหมณ์ผู้มีฤทธิ์มากมีอนุภาพมากสามารถบรรดาลสัญญาของคนให้เข้าไปหรือให้ออกไปก็ได้เวลาที่บรรดาญให้สัญญาเข้าไปคนก็มีความจําเมื่อบรรดาญให้สัญญาออกไปคนก็จําอะไรไม่ได้พวกหนึ่งเสนอประเด็นเรื่องอภิสัญญานิโรธไว้อย่างนี้สมณพราหมณ์อีกคนหนึ่งเสนอว่าท่านทั้งหลายเรื่องนั้นก็ไม่ถูก เพราะมีเทวดาผู้มีฤทธิ์มากมีอนุภาพมากสามารถบรรดาสัญญาของคนให้เข้าไปหรือให้ออกไปก็ได้เวลาที่บรรดาให้สัญญาเข้าไปคนก็มีความจำเมื่อบัรดาให้สัญญาออกไปคนก็จำอะไรไม่ได้พวกหนึ่งเสนอประเด็นเรื่องอภิสัญญานิโรธไว้อย่างนี้ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ระลึกถึงพระผู้มีพระภาคว่า ผู้ฉลาดในธรรมเหล่านี้ต้องเป็นพระผู้มีพระภาคผู้พระสุคตเท่านั้นข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระผู้มีพระภาคทรงฉลาดรอบรู้ในเรื่องอภิสัญญานิโรดนี้ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอภิสัญญานิโรดเป็นอย่างไรหนอแล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 สัญญาอีกอย่างหนึ่งดับเพราะการศึกษาก็มีการศึกษาเป็นอย่างไรโปธปาทะตถาคตอุบัติขึ้นมาในโลกนี้เป็นพระอระหันต์ตรัสรู้ด้วยตนเองโดยชอบและถึงพึงนำข้อความเต็มในสามัญญผลลสูตรมาใส่ไว้ในที่นี้ภิกษุชื่อว่าสมบูรณ์ด้วยศีลเป็นอย่างนี้แลและถึงเมื่อภิกษุนั้นพิจารณาเห็นนิวรห้าที่ตนละได้แล้ว ย่อมเกิดความเบิกบานใจเมื่อเบิ่บานใจก็ย่อมเกิดปิติเมื่อใจมีปิติกายย่อมสงบเธอมีกายสงบย่อมได้รับความสุขเมื่อมีความสุขจิตย่อมตั้งมั่นภิกษุนั้นสั ง, งัดจจกการและอคศิธรรมทั้งหลายแล้วบรรลุปฐมฌานที่มีวิตกวิจารปิติและสุขอันเกิดจากวิเวกอยู่กลามสัญญาความจาได้หมายรู้เรื่องกลาม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 มีความผ่องใสในภายในมีภาวะที่จิตเป็นหนึ่งผุดขึ้นไม่มีวิตกไม่มีวิจารมีแต่ปีติและสุขอันเกิดจากสมาธิอยู่สัจจสัญญาอันละเอียดมีปิติและสุขอันเกิดจากวิเวกที่มีอยู่ก่อนจะดับไปสัจจสัญญาอันละเอียดมีปีติและสุขอันเกิดจากสมาธิจะเกิดขึ้นแทนสัญญาอย่างหนึ่งเกิดเพราะการศึกษาสัญญาอีกอย่างหนึ่งดับ เพราะการศึกษาอย่างนี้นี้จัดเป็นการศึกษาอย่างหนึ่งยังมีอีกโปธปาทะเพราะปิติจางคลายไปภิกษุมีอุเบกขามีสติสัมปชัญญะสะวยสุ ด, ด้วยนามกายบรรลุตติยฌานที่พระอริยะทั้งหลายสรรเสริญว่าผู้มีอุเบกขามีสติอยู่เป็นสุขสัจสัญญาอันละเอียดมีปิติและสุข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 ยังมีอีกโปธปาทะภิกษุบรรลุอากาสานัญจายตนะฌานโดยกําหนดว่าอากาศหาที่สุดไม่ได้เพราะล่วงรูปสัญญาดับปฏิฆะสัญญาไม่กําหนดนานาตัสัญญาโดยประการทั้งปวงรูปสัญญาที่มีอยู่ก่อนจะดับไปสัจสัญญาอันละเอียดประกอบด้วยอากาสานัญจายตนะฌานจะเกิดขึ้นแทนภิกษุนั้น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 วิญญาณหาที่สุดไม่ได้สัจสัญญาอันละเอียดประกอบด้วยอาการสานันจายตนะฌานที่มีอยู่ก่อนจะดับไปสัจสัญญาอันละเอียดประกอบด้วยวิญญาณนันจายตนะฌานจะเกิดขึ้นแทนภิกษุนั้นมีสัจสัญญาอันละเอียดประกอบด้วยวิญญาณนันจายตนะฌานในตอนนั้นสัญญาอย่างหนึ่งเกิดเพราะการศึกษาสัญญาอีกอย่างหนึ่งดับเพราะการศึกษาอย่างนี้ นี้จะเป็นการศึกษาอย่างหนึ่งยังมีอีกโปธปาทะภิกษุล่วงวิญญาณัญจายตนะาฌานโดยประการทั้งปวงบรรลุอากินจัญญายตนะฌานโดยกำหนดว่าไม่มีอะไรสัจจะสัญญาอันละเอียดประกอบด้วยวิญญาณัญจายตนะาฌานที่มีอยู่ก่อนจะดับไปสัจจะสัญญาอันละเอียดประกอบด้วยอากินจัญญายตนะฌานจะเกิดขึ้นแทนภิกษุนั้น มีสัจจสัญญาอันละเอียดประกอบด้วยอากินจัญญ า, าญานะฌานในตอนนั้นสัญญาอย่างหนึ่งเกิดเพราะการศึกษาสัญญาอีกอย่างหนึ่งดับเพราะการศึกษาอย่างนี้นี้จะเป็นการศึกษาอย่างหนึ่งโปธปาทะพิกษุในธรรมวินัยนี้ที่ยังมีส ก, กะสัญญาเธอออกจากปฐมฌานเข้าทุติยฌานออกจากทุติยะฌานเข้าตติยฌานจนถึง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 การเข้าถึงความดับสัญญาของภิกษุผู้มีความรู้สึกตัวโดยลำดับเช่นนี้ท่านเคยได้ยินมาก่อนบ้างหรือไม่เขากราบทูลว่าไม่เคยได้ยินเลยพระพุทธเจ้าค่าข้าพระองค์พึ่งรู้ทั่วถึงธรรมที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงแล้วเดี๋ยวนี้เองว่าภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ที่ยังมีสะกะสัญญาธอออกจากปฐมฌานเข้าทุติยฌาน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 เป็นอย่างนั้นโปธปาทะเขาทูลถามว่าพระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติอาคินจัญญาจตนะชาญอันเป็นที่สุดแห่งสัญญาไว้อย่างเดียวหรือบัญญัติไว้หลายอย่างพระพุทธเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าโปธปาทะเราบัญญัติอาคินจัญญาจตนะชาญอันเป็นที่สุดแห่งสัญญาไว้อย่างเดียวก็มีหลายอย่างก็มีเขาทูลถามว่า พระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติอากินจัญญาญาตนะฌานอันเป็นที่สุดแห่งสัญญาไว้อย่างเดียวก็มีหลายอย่างก็มีโดยวิธีใดบ้างพระพุทธเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าโปทปาทะเราบัญญัติอากินจัญญาญาชนะฌานอันเป็นที่สุดแห่งสัญญาไวโดยวิธีที่พระโยคาวจงจะบรรลุนิโรธได้ ดังนั้นเราจึงบัญญัติอากินจัญญาญาตนะชาญอันเป็นที่สุดแห่งสัญญาอย่างเดียวก็มีหลายอย่างก็มีเขาทูลถามว่าสัญญาเกิดขึ้นก่อนญาณหรือว่าญาณเกิดขึ้นก่อนสัญญาหรือว่าทั้งสัญญาและญาณเกิดขึ้นพร้อมกันพระพุทธเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าโปทปาทะสัญญาเกิดขึ้นก่อนญาณ เพราะมีสัญญาเกิดขึ้นจึงมียานเกิดขึ้นภิกษุย่อมรู้อย่างนี้ว่าเพราะสัญญาเป็นปัจจัยยานจึงเกิดขึ้นแก่เราโปธปาทะท่านพึงทราบโดยปริยายนี้ว่าสัญญาเกิดขึ้นก่อนยานเพราะมีสัญญาเกิดขึ้นจึงมียานเกิดขึ้น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 บริโภคอาหารเป็นคำคำพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าโปธปาทะอัตตาที่ท่านพูดถึงนั้นเป็นอัตตาหยาบซึ่งมีรูปที่ประกอบด้วยมหาพุทธรูปสี่บริโภคอาหารเป็นคำคำเมื่อเป็นเช่นนี้สัญญากับอาัตตาก็เป็นคนละอย่างกันตามข้อนี้ท่านพึงทราบโดยปริยายว่าสัญญากับอัตตาเป็นคนละอย่างกัน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 มีอินทรีย์ไม่บกพร่องพระผู้มีพระภาคตรัสว่าโปธปาทะอัตตาที่ท่านพูดถึงนั้นเป็นอัตตาที่สําเร็จด้วยใจมีอเววะครบถ้วนมีอินทรีย์ไม่บกพร่องเมื่อเป็นเช่นนี้สัญญากับอัตตก็เป็นคนละอย่างกันตามข้อนี้ท่านก็พึงทราบโดยปริยายนี้ว่าสัญญากับอัตตาเป็นคนละอย่างกันอัตตาที่สําเร็จด้วยใจ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 ท่านก็พึงทราบโดยปริยานี้ว่าสัญญากับอัตตาเป็นคนละอย่างกันเขาทูลถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์อาจรู้ได้ไหมว่าสัญญาเป็นอัตตาของคนหรือว่าสัญญากับอัตตาเป็นคนละอย่างกันพระผู้มีพระภาคตรัตอบว่าโปธปาทะท่านมีทิฏฐิแตกต่างกันมีความถูกใจแตกต่างกัน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 มีอาจารย์แตกต่างกันจึงเข้าใจได้ยากว่าสัญญาเป็นอัตราของคนหรือว่าสัญญากับอัตราเป็นคนละอย่างกันข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็โลกเที่ยงนี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นเป็นโมฆะกระนั้นหรือพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าเรื่องนี้เราไม่ตอบเขาทูลถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญโลกไม่เที่ยงนี้เท่านั้นจริง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 พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าเราตอบเรื่องทุกขเรื่องทุกขสมุทัยเหตุเกิดทุกขเรื่องทุกขานิโรธความดับทุกข์เรื่องทุกขานิโรธค า, รโรคาไม่หนีปฏิปทาข้อปฏิบัติเครื่องดําเนินไปสู่ความดับทุกข์เขาทูลถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเพราะเหตุไรพระองค์จึงทรงตอบเรื่องนั้นพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่า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 ทรงกําหนดเวลาที่สมควรหน้าบัตรนี้เถิดพระพุทธเจ้าค่ะทีนั้นพระผู้มีพระภาคทรงลุกขึ้นจากอาสนะเสด็จจากไปแล้วเมื่อพระผู้มีพระภาคเสด็จจากไปไม่นานพวกปริภาชกได้ตัดพ้อต่อว่าโปธฐปาทะปริภาชกด้วยคําตัดพ้อต่อว่าทิมแทงว่าท่านโปธฐปาทเป็นคนอย่างนี้นี่เองท่านโปธฐปาทะ พลอยชื่นชมคำพูดของพระสมณโคดมทุกคำว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคข้อนี้เป็นอย่างนั้นข้าแต่พระสุคตข้อนี้เป็นอย่างนั้นแต่พวกเรากลับไม่เข้าใจความหมายที่พระสมณาโคดมตรัสแม้แต่นิดเดียวว่าโลกเที่ยงหรือโลกไม่เที่ยงโลกมีที่สุดหรือโลกไม่มีที่สุดชีวากับสิริระเป็นอย่างเดียวกันหรือชีวกับสิริระเป็นคนละอย่างกัน หลังจากตายแล้วตวถาคตเกิดอีกหรือหลังจากตายแล้วตถาคตไม่เกิดอีกหลังจากตายแล้วตถาคตเกิดอีกและไม่เกิดอีกหรือหลังจากตายแล้วตวถาคตจะว่าเกิดอีกข้อมิใช่จะว่าไม่เกิดอีกข้อมิใช่เมื่อพวกปริพาชกกล่าวอย่างนี้โปธปาทะปริพาชกได้บอกพวกเขาว่าท่านทั้งหลาย ข้าพเจ้าเองก็ไม่เข้าใจความหมายที่พระสมณะโคดมตรัสไว้แม้แต่นิดเดียวว่าโลกเที่ยงหรือโลกไม่เที่ยงและถึงหรือหลังจากตายแล้วตถาคตจะว่าเกิดอีกก็ไม่ใช่จะว่าไม่เกิดอีกก็ไม่ใช่แต่ว่าพระสมณะโคดมทรงบัญญัติข้อปฏิบัติที่จริงแท้แน่นอนเป็นธรรมติเป็นธรรมนิยามไว้ก็เมื่อทรงบัญญัติเช่นนี้ ฉไนวินยูชนอย่างข้าพเจ้าจะไม่พลอยชื่นชมสุภาษิตของพระสมณะโคดมโดยเป็นคำสุภาษิตเล่า จิตตะหัตถิสารีบุตรและโปธปาทะปริภาชก ค, ครั้นผ่านไปสองถึงสมวันจิตตะหัตถิสารีบุตรกับโปธปาทะปริภาชกพากันเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคจิตตะหัตถิสารีบุตรกราบพระผู้มีพระภาคแล้วนั่งนั่ที่สมควรฝ่ายโปธปาทะปริภาชกสนทนากับพระผู้มีพระภาคพอคุ้นเคยแล้วจึงนั่งนั่ที่สมควรกราบทูลว่า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 โดยเป็นคำสุภาษิตเล่าพระผู้มีพระภาคตรัสว่าโปทปาทะปริภาชคทั้งหมดเหล่านี้เป็นคนตาบอดไม่มีจักสุในชุมนุมชนนั้นมีแต่ท่านเท่านั้นที่มีจักสุธรรมที่เป็นเอกังศิกธรรมเราได้แสดงและบัญญัติไว้แล้วธรรมที่เป็นเอเนกังศิกธรรมเราก็ได้แสดงและบัญญัติไว้แล้ว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 นี้ทุกขสมุทยัยเหตุเกิดทุกข์นี้ทุกขนิโรธความดับทุกข์นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาข้อปฏิบัติเครื่องดําเนินไปสู่ความดับทุกขเราแสดงและบัญญัติธรรมเหล่านี้ว่าเป็นเอกังศิกธรรมโปธปาทะเพราะเหตุไรเราจึงแสดงและบัญญัติธรรมเหล่านี้ว่าเป็นเอกังศิกธรรมเล่าเพราะว่าธรรมเหล่านี้มีประโยชน์มีสาระ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 หลังจากตายแล้วอัตตามีสุกโดยส่วนเดียวปลอดภัยเราเข้าไปหาสมณพราหมณ์เหล่านั้นแล้วถามว่าท่านมีวาทะมีทิฏฐิอย่างนี้ว่าหลังจากตายแล้วอัตตามีสุขโดยส่วนเดียวปลอดภัยจริงหรือถ้าสมณพราหมณ์เหล่านั้นถูกถามอย่างนี้ยังยืนยันว่าจรงิงเราจะถามว่าก็ท่านรู้ท่านเห็นโลกที่มีสุกโดยส่วนเดียวหรือเมื่อถูกถามอย่างนี้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 โปทปาทะท่านเข้าใจเรื่องนั้นว่าอย่างไรเมื่อเป็นเช่นนี้ภาษิตของสมณพราหมณ์เหล่านั้นถือว่าเลื่อนลอยไม่ใช่หรือเขากราบทูลว่าพระพุทธเจ้าค่าเมื่อเป็นเช่นนี้ภาษิตของสมณพราหมณ์เหล่านั้นถือว่าเลื่อนลอยแน่นอน เรียบด้วยชายหลงรักหญิงงามแห่งชนบทพระผู้มีพระภาคตรัสว่าโปธปาทะเรียบเหมือนชายคนหนึ่งปรารภถึงหญิงสาวอย่างนี้ว่าเราปรารถนรักใคร่หญิงงามแห่งชนบทนี้คนจะถามเขาว่าพ่อคุณเธอรู้จักหญิงคนนั้นหรือว่าเป็นนางกษัตริย์นางพรามณีนางแพทย์หรือนางสูตรเมื่อถูกถามอย่างนี้เขาจะตอบว่า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 เมื่อเป็นเช่นนี้คำพูดของบุรุษนั้นถือว่าเลื่อนลอยแน่นอนพระผู้มีพระภาคตรัสว่าโปธปาทะแม้สมณพราหมณ์ผู้มีวาทะมีทิฏฐิอย่างนี้ว่าหลังจากตายแล้วอัตตามีสุกโดยส่วนเดียวปลอดภยัยก็เช่นกันเราเข้าไปหาสมณพราหม์เหล่านั้นแล้วถามว่าท่านมีวาทะมีทิฏฐิอย่างนี้ว่าหลังจากตายแล้วอัตตามีสุขโดยส่วนเดียวปลอดภยัยจริงหรือ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 จึงบังเกิดในโลกที่มีสุขโดยส่วนเดียวหรือเมื่อถูกถามอย่างนี้พวกเขาจะตอบว่าไม่ได้ยินโปธปาทะท่านเข้าใจเรื่องนั้นว่าอย่างไรเมื่อเป็นเช่นนี้ภาสิทธิของสมณพราหมณ์เหล่านั้นถือว่าเลื่อนลอยไม่ใช่หรือเขากราบทูลว่าพระพุทธเจ้าข่าเมื่อเป็นเช่นนี้ภาสิทิของสมณพราหมณ์เหล่านั้นถือว่าเลื่อนลอยแน่นอน